แนะนำบทอัลฮุดยุรอตบทอัลฮุดยุรอตถูกประทานลงมาหลังจากบทอัลมูยาดะละเป็นบทมาดเดียมีทั้งหมดส8บแปองค์การถึงแม้ว่าบทนี้จะมีองค์การน้อยแต่มีความสำคัญทางด้านเทริธรรมมากเพราะประมวลไว้ด้วยข้อเท็จจริงในการอบรมที่เป็นอมตะไว้มากมายเป็นการปูพื้นฐานที่มั่นคง สำหรับสังคมที่มีเกียรต์เป็นบทที่ทรงคุณค่าทางด้านศิลและธรรมจนกระทั่งนักอธิบายกรานบางท่านถึงกับให้ชื่อบทนี้ว่าบทจริยธรรมบทนี้ได้เริ่มด้วยการกล่าวถึงมัญญาตอันสูงส่งที่เอาล้อทรงชี้แนะและบรมสั่งสอนบรรดาผู้ศรัทธาให้แสดงออกต่อบทบัญญัติของปรุงต่อคำสั่งของรอศูลของปรุง บทนี้ได้กล่าวถึงบรรยาดอันดีงามอีกอย่างหนึ่งคือการลดเสียงในการสนทนาหรือถามสิ่งใดกับท่ารถซูลุลสัหลน ล, ล, ลออะไรวะสลัมเพื่อเป็นการยกย่องและให้เกียรติท่านเพราะท่านมีฐานะและตำแหน่งไม่เหมือนปุถุชนธรรมดาจึงเป็นหน้าที่ของมุซิมจะต้องแสดงออกซึ่งการมีสัมมาคารวะต่อท่านจะสนทนาต่ถามก็ต้องกระทำด้วย กกการยยย่องและให้เีตบทนี้จบลงด้วยเรื่องราวของอาหรับชนที่เข้าใจเอาเองว่าการมีอีมานศรัทธานั้นเป็นเพียงวาจาคำพูดที่เปล่งออกมาเป็นการเพียงพอและพวกเขาได้มาหาท่ารอซูลุลลอฮลอุลลัลฮหัวไลวะสลัมเพื่อลำเลิกบุญคุณที่พวกเขาได้เข้ารับนับถืออิสลามอาลัลลอได้ทรงแจงข้อเท็จจริงของการศรัทธาและการเป็นอิสลาม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 ในขณะนั้นเป็นห้องหับที่บรรดาอุลมุลมุมินีนพัญญาของท่านดบีสุลลลลว้ลวะเลย์วะสลัมได้ใช้เป็นที่พำนักอาศัยเชคอัมัดมุสตอฟ่าอัลมาโรกีได้กล่าวไว้ในหนังสือตับซิดอัลมาโรกีของท่านว่าห้องหับต่างๆดังกล่าวนี้มีทั้งหมดเก้าห้อง หลังคามุงด้วยทางอินทพลัมุงไวเ้เตี้ยๆไม่สูงนักสามารถที่จะเอื้อมมือจับได้ต่อมาห้องหับเหล่านี้อัลวลิดอิบนูอับดุลมาลิกใช้ให้ผนวกเข้าไว้ในบริเวณมสัสยิดของท่านราสูลลลอสลลลลอว์ละวะสลัมซึ่งประชาชนต่างพากันร่ำไห้ด้วยความเสียดายและอาลัยซอิดอิบนูลมูไซ ย, ยับ กล่าวขึ้นในวันนี้ว่าฉันปรารถนาที่จะให้พวกเขาปล่อยมันไว้ตามสภาพเดิมเพื่อผู้คนชาวเมืองบันีนะเมื่อได้เติบโตขึ้นมาตลอดจนผู้คนที่เดินทางมาจากต่างแดนจะได้พบเห็นว่าทาราสุลุลสัล ล, ลัลฮุอะลวะสลัมได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างไรจะได้ทำให้ผู้ที่ได้พบเห็นมีความสมถะมักน้อยไม่อ้อวดกันและไม่ประกวดประชันกันในการใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือย ด้วยพระนามของอัลล อ, ผอ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ الله الله โอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าอย่าได้กระทำเกินหน้า เมื่ออยู่ต่อหน้าอัลลอ์และหรอดูนของพรงพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดถ้าจริงอัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ยา أيها ا ل ذ อ ن آ م ن น ا لا ترفعوا أ ص و ا ك م فوق صوت النبي ولا تجهروا له ب ا ل ق บ ل كجهر بعضكم لبعض أن ت ح อ ط มา م ุคุม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 م م وا وأ ถ้าจึงบรรดาผู้ที่ลดเสียงของพวกเขานศะาสนาทูตของอ AH. ัลลอฮ์ชนเหล่านี้คือบรรดาผู้ที่อ AH ัลลอฮ์ทรงทดสอบจิตใจ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 وَإِطَافَتَانِ ئ ِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ف َ إ ِ ن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَا فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إلَى ِ أَمْرِ اللَّهِ ف َ إ ِ ن ف َ ا ء َ ت َ ف َ أَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِقُوا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 อบนาพุทธทาทั้งหลายชนกลุ่มหนึ่งอย่าได้ยอะเยอะ่อชนอีกกลุ่มหนึ่ง บางทีชนกลุ่มที่ถูกเย่อเย้ยนั้นจะดีกว่าชนกลุ่มที่ยเย่ะเย้ยสตรีกลุ่มหนึ่งอย่าได้ยเย่ะเย้ยสตรีกลุ่มหนึ่งบางทีสตรีกลุ่มที่ถูกยเย่ะเย้ยจะดีกว่ากลุ่มที่ยเย่ะเย้ยและพวกเจ้าอย่าได้ตําหนิตัวของพวกเจ้าเองและอย่าได้เรียกกันด้วยฉายาที่ไม่ชอบช่างเลวซามจริงๆที่บรรดาผู้ศรัทธาเรียกว่าเป็นผู้ฝ่าฝืนภายหลังจากที่ได้มีการศรัทธากันแล้วและผู้ใดไม่สํานึกผิด ชนเหล่านั้นคือบรรดาผู้อาธรรมยา أيها الذين آمنوا جتنبوا ك ث ي ر ا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسس ولا يغت بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أي يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتم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 และจงยำเกรงอัลลอ์เถิดถ้าจริงอัลละ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ <ess>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 กล لم ت ؤمن ولكن ول قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيع وا الله ورسوله لا ي ل ت ك م من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم อาับดุลบทกล่าวว่าเราได้ศรัทธาแล้วจงกล่าวเถิดมูฮัมมัด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 ถ้าจริงบรรดาผู้ศรัทธาที่แท้จริงนั้นคือบรรดาผู้ศรัทธาต่ออรและรอซูลของพร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 ว่าพวกเจ้าจะสอนอเลาละเกี่ยวกับาศาสนาของพวกเจ้ากระนั้นหรืออเลาะทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและพันดินแล้ว ล, ละนั้นทรงรู้ทุกสิ่ง พวกเขาถือเป็นบุญคุณแก่เจ้าว่าพวกเขาได้รับอิสลามแล้วจงกล่าวเถิดมุฮัมหมัดว่าพวกเจ้าอย่าถือเอาการเป็นอิสลามของพวกเจ้ามาเป็นบุญคุณแก่ฉันเลยแต่ถว่ารลอทรงประธานบุญคุณแก่พวกเจ้าตั้งหากโดยชี้นำพวกเจ้าสู่การศรัทธาหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริงวา วัลล้าวบ ص ีรบิม่าจะอำูแพรจริงอัลล่ะทรงรู้สิ่งเร็นลับในบรนดาชั้นฟ้าและพันดินและอัลล่ะทรงเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทั่